ความในคำพีคุธการในกายพุทธวงศ์วงของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีันะว่ากลับที่92ผ่านไปนะคือลักษณะนับถอยหลังนะถอยหลังมาส่อสองไขสาอาสองไขสองอสองไขหนึ่งอสองไขแล้วก็ไล่ามาถึงแสนกลับนะกลับที่2 0 0แสนสแสนสแสนไมนะ่ไม่มีมีแตนะ่ไม่มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้น มีเมื่อแสนกลับแล้วก็ถอยลงมาส0ม0มื่นกับบ้างหมื่นเออพ800กลับบ้างถอยหลังมา 94, กลกับบ้าง 92, กลบับมาถึง91กลอับเป็นกลับที่ชิดกันเนี่ยหายากนะกับที่กลับก่อนก็มีพระพุทธเจ้ากลับหลังก็ยังมีพระพุทธเจ้าเนี่ยนะหายากโดยมากก็ว่าง30กลบกับมั่ง0กลบกับมั่งหมื่นกว่ากลับบ้างแสนกว่ากับบ้างหลายแสนกลับบ้าง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 พระพุทธเจ้าทำลายกระป๋ะไข่คืออวิชชาพระองค์มักจะเปรียบการตรัสรู้ธรรมของพระองค์เหมือนกับลูกเหมือนอย่างว่าไข่ไก่แดฟองสิบสองสิบฟอ ง, ฟองหรือ1ิบสองฟองอนะลูกไก่ตัวอนะันนั้นไก่ลูกขอไปไข่ตัวใดที่แม่ไก่กกดีก็จะฟักดีเนี่ยนะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าแม่ไก่เนี่ยกกดี ยางทั้งหลายที่อยู่ในภายในก็ค่อยๆแห้งไปแห้งไปลูกไก่ก็ค่อยๆโตขึ้นจะงอยเอะเรียกว่าอะไรนะจะงอยปากพวกกรงเล็บกรงขาอะไรก็จะค่อยๆมีกําลังยิ่งขึ้นเล็บเท้าเป็นต้นก็จะแข็งแรงปีกก็ค่อยๆมีในที่สุดตัวกระเปาะไข่ก็ค่อยๆบางไปเรื่อยๆเ ย, ยื่อใหญ่ก็บางในที่สุดก็เจาะกระปะนะกระปเปาะหรือว่าเจาะเปลือกไข่ออกมาได้ พระองค์ก็เหมือนกันพระองค์นั้นถูกโลกเคลีอวิชานี่ห่อหุม้มในที่สุดพระองค์ก็เรียกว่าทำลายกระเปาะฟองแห่งอวิชชาเรียกว่าสู์โลกที่มีปัญญาเห็นอริยสัจตรัตรสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็เสด็จไปกรุงพันทุกข์มดีเพื่อประกาศพระธรรมจักรหลังจากที่เป็นพระพุทธเจ้าแล้วปณิธานเจตนาก็ไม่ลืมว่าตรัสรู้แล้วจะให้ผู้อื่นตรัสรู้ตาม พระผู้นำพระองค์ก็ยังพระโอรสและบุตรปุโรหิตทั้งสองให้ตรัสรู้อภิสมัยครั้งที่หนึ่งกล่าวไม่ได้ถึงจำนวนผู้ตรัสรู้ทำต่อมาอีกพระผู้มีพระยศหาประมาณไม่ได้ทรงประกาศสัจะนะ เ, เคมะมิขทายวันนั้นอภิสมัยครั้งที่สองก็ได้มีแก่สัตว์ 84% 0หมี่พัน บรุษแปดหมพันบวชตามสเสด็จพระสัมพุทธเจ้าผู้มีพระจักสุส่งแสดงธ ร, รรมโปรดบันปะชิตเหล่านั้นที่ถึงพระอารามบรรปะชิตแม้เหล่านั้นฟังธรรมของพระองค์ซึ่งตรัสประทานโดยอาการทั้งปวงก็บรรลุธรรมอันประเสริฐอภิสมัยครั้งที่สก็ได้มีแก่บันปะชิตเหล่านั้นคือ 84%, ดหมพัน พระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้ผสแสวงหาคุณอันยิ่งใหญ่ทรงมีสันนิบาตการประชุมพระสาวกขีนาศกผู้ไร้มนตินผู้มีจิตสงบผู้คงที่สามครั้งประชุมพระสาวกครั้งแรกแส6 0ปดหนะส่วนครั้งที่สองมีจํานวนหนึ่งแสนเรียกว่าแสนหนึ่งก็แปลว่าหนึ่งแสนะนะครั้งที่สองเนี่ยประชุมอรหันตสาวกหนึ่งแสน ประชุมครั้งที่สามสาวกแปดหมื่นอันนี้เป็นการประชุมครั้งที่สของพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงรุ่งโรจน์อยู่ท่ามกลางหมู่พิกษุณเขมะมิกระทายวันนั้นพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยนะก็ถือว่าเป็นพระพุทธเจ้าที่มีพระพุทธเจ้าของเรากล่าวถึงค่อนข้างบ่อย น, นะกล่าวบ่อยกล่าวทั้งในอาตานาติยสูตรกล่าวทั้งในมหาประานสูตร พระองค์ก็แสดงถึงพระพุทธเจ้าเริ่มตั้งแต่โดยมากจะแสดงถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีขึ้นมานะพระวิปัสสีพุทธเจ้านี่จะค่อยๆจะกล่าวบ่อยหรือว่าขอนอบนอบ้อมแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเจ็ดพระองค์โดยมากก็นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าวิปสัสสีและก็สาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็ยังมีเหลืออยู่แต่ว่าเหลืออยู่ที่สุทธาวาสเนี่ยนะันพรมอนาคามีสาวกของพระวิปัสสีก็ยังมีอยู่ พรอมนี้เขาอายุหลายเป็นหมื่นกับเนี่ยขออภยัยหลายร้อยกับผันผ่านไปเพิ่งเก้าสิบเอ็ดกับก็เหมือนว่ า, าไม่ไม่นานเน่ยนะเพราะอายุท่านตั้งหลายร้อยกับเนี่ยนะก็มีการเลื่อนชั้นไปเรื่อย ๆ, ๆเนี่ยนะอายุท่านหลายร้อยกับพันอายอาุถ้ารวมกันเนี่ยนะอย่างชั้นแรกก็ประมาณห้าร้อยกับขึ้นอนะ่ะห้ารอายุยาวขนาดนั้นถ้าอยู่จนสิ้นอายุไขก็นานผันสาวกของพระพุทธเจ้าวิปัสสีนี่ยังมีอยู่ แต่โดยมากอยู่ในฐานะพระนาคามีหรือพระอรหันต์เนี่ยนะต่อไปพูดถึงการประชมอรหันตสาวกเนี่ยนะสาวก ส, วกสนันใบาทเพื่อแสดงโอวาทปาติโมกว่าครั้งแรก1 8 0 0 0 0 0ครั้งที่สองหนึ่งครั้งที่ส8 0แปดหมื่นฝ่ายพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยนชาตินั้นเป็นพญนาต จริงแล้วเมื่อ9ก้าสบกับที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกับที่พระพุทธเจ้าของเราทุกทรมานมากเลยนะพระโพธิสัตว์ทุกทรมานมากเป็นกับที่ลองผิดลองถูกชนิดร้ายแรงนนะรุนแรงแล้วก็หนักสาหัสยิ่งกว่าชาติที่เป็นชาติสุดท้ายนี่อีกเพราะชาตินั้นไม่ได้ตรัสรู้นะชาตินั้นไม่ได้เมื่อกับนั้นไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแต่พระองค์เนี่ยบำเพ็ญเพียรทำทุกข์กิริยาหลายอย่าง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 ท่นกลับนี้เนี่ยพระองค์ก็เป็นพญานาคเนี่ยนะสมัยนั้นพระโพธิสัตว์เป็นพญานาคชื่อว่าอัตุละอัตุละแปลว่าช่างไม่ได้ตุละก็คือตุลาตุลาก็คือแต่ช่างนะนะมันช่างได้ตุลาการทีนี้พระโพธิสัตว์ช่างไม่ได้มีฤทธิ์มากมีบุญก็ถือว่ามีบุญสร้าง ส, างสมมาแล้วเท่าไหร่สอสงไข 90, ่9ก้าหมื่น นะประมาณกี่กลับ91กลับร้อยหารอะไรนะร้อนยะเอาออก91เลืวเท่าไหร่909กลับนะก็ถือว่ามีบุญมากนะสังสมบุญมาเยอะล่ะแต่ว่าก็ยังไปเกิดเป็นพญานาคพระองค์นี้มีรัศมีรุ่งโรดแวดล้อมด้วยนาคลายโกดเนี่ยนะ แม้ถ้าตอนกลับร่างเป็นงูหมดมีงูเป็นบริวารหลายโกดเนี่หนักใจเหมือนกันนะแต่ตอนนี้แปลงเพศเป็นมานพหนุ่มสาวน้อยเขายังชั่วหน่อยนะถ้าเป็นแมงงูบริวารยั่วเยี่ยเลยในหลายโกดเนี่หนักใจเหมือนกันนะเขามาทําใจไม่ได้ไปดูฝางงูไม่ได้เห็นแล้วขนลุกเลยนะเห็นฝางูแล้วขนลุกเลยนะมันก็ถ้ามีบริวารในโรงเรีเออเป็นพญานาคก้าวโกดแม่มีพญานาคบริวารเป็นกดโกธเลยนะ เคยดูแต่ในหนังงูเยอะๆเนี่ยแหมสะดุ้งเลยนะคนลุกเลยกลัวมากเลยนะไม่จำเป็นอย่าเห็นเลยมันดีที่สุดมั น, น เ, เห็นแล้วไม่สบายใจแต่ว่าพญานาคก็อยู่นะสังคมสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่าเนรมิตอัตภาพกึ่งทิพนั่นแหละตอนนั้นได้ทราบข่าวว่าพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกก็เข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าผู้เจริญที่สุดในโลกครั้นเข้าไปเฝ้าแล้วก็นิมนต์พระวิปัสสีสัมพุทธเจ้า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 ตอนที่กลับมาเนี่ยนะตอนที่กลับมาเนี่ยพญานาคก็ได้ทําพุทธบูชามนุษย์ทำพุทธบูชาพญานาคก็ทําพุทธบูชาไล่ตั้งแต่พญานาคพุทธบูชามนุษย์ทำพุทธบูชาพญานาคนิ ม, มนต์พระ พ, พุทธเจ้าพร้อมกับที่สุสงประชันด้วยนะถัดจากนั้นมนุษย์ก็นิ ม, มนต์ปฉันอย่างที่เมืองภัยสาลีแล้วก็เทวดาก็นิ ม, มนต์ปฉันอีกหลายชั้นเนี่ยนะในข้อความในปกินกะเนี่ยนะในเรื่องปกินกะของพระพุทธเจ้าอ่ะ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 นะเป็นพญานาคเฝ้านะพญานาคเฝ้าเจดีดูแลเจดีอะไรเป็นต้นเนี่ยนะกลุ่มพญานาคนั้นจะได้รับการยอมรับมากไทยเราเรียกว่าพญานาคจีนเรียกมังกรเนี่ยนะจะเป็นผู้ดูแลอย่างโบสหลายๆแห่งก็นิยมสร้างพญานาคล้อมดูแลป้องกันนะนะบ้างสร้างพญานาคเป็นบันไดาทางขึ้นบ้างเป็นต้นเนะเหมือนกับพญานาคมาต้อนรับก็ค่อนข้างเคารพพญานาคนะนะแต่ก็เป็นนะว่าเป็นพวกอหตุกษ์ศตร์บรรลุไม่ได้ พระพุทธเจ้าวิปัสสีพยาพยากรพนาต o n j u g พระองค์นั้นจะออกจากออกอภิเนิสกรมจากกรุงกบิลพั์อันน่ารื่นรมตั้งความเพียรทมทุกระกิริยาพระตถาคตประทับนั่งที่โคนต้นอชาชาปารานิครรับข้าวมาทุปายาจอเสด็จเข้าไปยังฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา พระชินเจ้าพระองค์นั้นเสวยเข้ามาทุบปายญ้าที่ริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชราเสด็จดำเนินตามทางอันดีที่เขาจัดแต่งเอาไว้เข้าไปยังโคนโพพลกจากนั้นพระผู้มีพระยศใหญ่ทรงกระทำประทักษินโพที่มันทสถานอันยอดเยี่ยมตรัสรู้นโครโพพฤกชื่อว่าต้นอัสสัถะท่านผู้นี้จะมีพระชนนีพระนามว่าพระนางมายาพระชนกพระนามว่าพระเจ้าสุดโททนะท่านผู้นี้จะพระมีพระนามว่า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 โผพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเรียกกันว่าต้นอัศตตาอัครอุปถาชื่อว่าพระจิตตะและหัตถะอลาวกะอัคราอุปถายิการชื่อว่านันทมาตาและอุตตราพระโคโดมผู้มีพระยศพระองค์นั้นมีพระชนมาายุร้อยปีเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายฟังพระดํารักพุทธพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าวิปสัสสีผู้ไม่มีผู้เสมอผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ ก็ปราบปลื้มใจว่าท่านผู้นี้จะเป็นหน่อพุทธทางกูลเหมือนโลกาธาตุพร้อมทั้งเทวโลกก็โห o r ้องปรบมือหัวร่อร่าเริงประคองอัญชลีนมัสการกล่าวว่าถ้าหากว่าพวกเราพลาดจากพระศาสนาของพระโลกกนาพระองค์นี้นะในอนาคตพวกเราก็จะอยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ มนุษย์ทั้งหลายเมื่อข้ามแม่น้ำพลาดท่าข้างหน้าก็ถือเอาท่าข้างหลังเพื่อจะข้ามแม่น้ำฉันใดพวกเราทั้งหมดถ้าหากว่าพลาดผ่านพ้นจากชินะศาสนาของพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ในอนาคตขอให้พวกเราได้อยู่ต่อหน้าท่านผู้นี้ฉะนั้น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 พระองค์ทรงครองคารวสาวิสัยอยู่แปดพันปีมีปราสาทชั้นเยี่ยมสามหลังชื่อว่านันทสุนันทะและสิริมาพระองค์มีพระสนมกำนันที่แต่งกายงามสี่0มนสามพันนางมีอัครมเหสีพระนามว่าพระนางสุทัศนามีพระอรถพระนามว่าสมาวัตขันธะเนี่ยนะ พระชินะูพุทเจ้าทรงเห็นนิมิตสีออกอภินิษฐสกรมด้วยยานคือรถทรงตั้งความเพียรแดเดือนเต็มพระมหาวีระวิปัสสีผู้นำโลกสูงสุดในนรชนอันเท้ามหาพรหมทูนาราธนาแล้วทรงประกาศทธรรมจักรณมิกทายวันพระวิปัสสีพุทพเจ้าผู้สแสวงคุณยิ่งใหญ่ทรงมีพระอัคารสาวกชื่อว่าพระคันดะและพระติสะส่วนพระพุทธอุปถาชื่อว่าพระอโศก มีอัครส า, าวิกาชื่อว่าพระจันทาและพระจันทมิตาราโภพฤกต้นไม้ที่ตรัสรู้ของพระองค์ชื่อว่าต้นปาตลีมีอัครอุปถาชื่อว่าปูนับสุมิตรและก็พระนาคะคือนาคะอุบาสกะนะมีอัครอุปถายิกาชื่อว่าสรีมาและอุตราพระวิปัสสีพุทธเจ้าผู้นำโลกสูงแปศอกพระรศมีของพระองค์แผ่ซ่านไปโดยรอบเจ็ดโยต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 นะคือแสงสว่างคืออริยมรรคแสงสว่างคือปัญญาเสร็จแล้วพระองค์ก็แสดงอมะตะบทคือพระนิพพานเมื่อประกาศอริยมรรคและพระนิพพานพระองค์ก็รุ่งร่วงรุ่งเรือ ง, งแล้วก็ดับขันธปรินิพพานเหมือนกองไฟลุกโผลงแล้วดับไปฉะนั้นภรวรฤทธอันเลิศพระบุญญาที่การอันประเสริฐพระวรลักษณ์อันบาลเต็มที่ทั้งสิ้นนั้น ก็อันตรฐานสิ้นไปสังขารทั้งปวงก็ว่างเปล่าแน่แ hey! ท้นนะอย่างพวกเรานี้อีกร้อยปีข้างหน้าหรืออะไรบ้าง mm hmm. น, นะกระดูกเขาก็เอาไปบด ท, ทำอะไรหมดแล้วก็ไม่รู้ mm hmm. พระวิปสัสสีพุทธเจ้าผู้เลิศในนรชนทรงมีพระวีรทรงเป็นพระวีรบุรุษเสด็จดับขันทปรปริณีพานนะพระวิหารสุมิตตารามพระวรสถูปสถูโอันประเสริฐหรือใจดีอันประเสริฐของพระองค์นั้นณนะวิหารนั้นนะ่ะสูงเจ็โย ส่วนรายละเอียดในอัตถกถามธุรฐาวิลาสีกล่าวว่าต่อภายหลังผ่านไปเนี่ยนะกับที่92ผ่านไปถึงกับที่91พระบุษะในกลับที่92ก็อันตรธานไปทั้งกับก็อันตรธานพระพุทธเจ้าก็อันตรธานก่อนกลับมานานแล้วงั้นก็ถอยหลังไปเก้กับนับจากกับนี้ไปพระพุทธเจ้าพระศาสดาพระนามว่าวิปัสสีวิปัสสีแปลว่าผู้เห็นแจ้ง นะผู้เห็นแจ้งในธรรมทั้งปวงรู้หมดอ่ะอาารย์าชลาดมากเลยนะอะไรก็รู้หมดอะพระองค์ทรงทราบกับทั้งปวงทรงมีพระทรงมีความดําริยินดีแต่ประโยชน์ของสัตว์อื่นความคิดของพระองค์ว่าจะช่วยให้ผู้อื่นพ้นทุกข์ได้อย่างไรจะช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขได้อย่างไรพระพุทธเจ้าวิปัสสีก็อุบัติขึ้นในโลกพระองค์ทรงบำเพ็ญพระบารมีทั้งหลายและบังเกิดในภพสวรรค์ชั้นดุสิตนะคือ พระก็ให้ทานเช่นกับพระเวสสันดรแล้วก็ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดุสิตอยู่ในดุสิตอันรุ่งโรดด้วยแสงซ่านแห่งมณีรัตนะเป็นอันมากครบอายุไขในสวรรค์ชั้นดุสิตก็จุติจากชาตินั้นถือปฏิสนธิในพระคันของพระนางพันธุมาดีอัครามเหสีของพระเจ้าพันธุมะพระองค์มีพระญาติมากณกรุงพันธุมาดีอยู่ในพระคันกําหนดครบท้วยทนทศมาสิบเดือนก็ประสูติจาก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 จึงเฉลิมพระนามว่าวิปัสสีเพราะเห็นได้ด้วยตาที่เปิดแล้วหรืออีกในหนึ่งบางอาจารย์บางท่านก็เล่าว่าพระนามว่าวิปัสสีเนี่ยเพราะเพื่งวิจัยค้นหาย่อมเห็นพระองค์ครองคาวาะวิสัยอยู่แ0ดพปีคําว่าวิปัสสีเนี่ยแปลว่าวิจัยหรือค้นหาอริยสัจก็ได้นะพระวิปัสสีนั้นครองคาวาะมีปราสาทสามหลังชื่อวันนันทะสุนันทะและเสมา พระสนมกำนันซแสนสองหมื่นนางมีพระนางสุดสุทัศนาเทวีเป็นประมุขพระนางสุทัศนาเรียกกันว่าพระนางสุตนูก็มีล่วงไป8000ันปีเมื่อพระโอรสของพระนางสุตนูเทวีพระนางว่าสมวัตขันธะทรงสมภพพระองค์ก็เห็นนิมิตทั้งสีก็เสด็จออกมหาอภิเนสกรมด้วยรถเทียมมาพระองค์นี้ทรงผนวดบุรุษ 84,000 พคนก็บวชตามเสด็จพระมหาบุรุษนั้นอันพิกูุ์เหล่านั้นเวทล้อมแล้วบำเพ็ญเพียรอยู่8เดือนนะนะบำเพ็ญทนะบเพ็ญเพียรสร้างบุญกุศลเพื่อความเป็นพระพุทธเจ้าเนี่ยเดือนในวันวิสาขบุรมีพระองค์ก็เสวยเข้ามาทุปายญาติที่ทิดาสุาสาสทัศนะเษฐีถวายพระองค์พักกลางวันณสาลวันที่ประดับด้วยไม้ดอกด้ว ย, ด, วยดอกไม้เนี่ยนะ ต้นไม้เนี่ยเต็มไปด้วยออกดอกออกช่องงดงามตอนเย็นพระองค์ก็รับหญ้าแปดกรรมที่คนเฝ้าไร่ข้าวเหนียวชื่อว่าสุชาตะถวายพระองค์เห็นโรพพฤกหรือต้นไม้เป็นที่ตรัสรู้ชื่อว่าปาตาลีคือต้นแครไฟที่ออกดอกพระองค์ก็เข้าไปยังโรพพฤกต้นนั้นณนะด้านทิศทักษิณที่จริงบอกว่าเข้าไปตอนแรกเนี่ยนะ ก็เข้าไปในด้านทิศทักษิณก่อนวันนั้นลําต้นอันกล่ากลมของต้นปาทลีบุตรนั้นชลูดสูงขึ้นไปห้าิบซอกกิ่งเนี่ยขยายออกห้าสิบซอกสูงร้100อยซอกในวันนั้นนั่นเองต้นปาทลีนั้นน่ะนะต้นแคร์ฝอยนั้นก็ออกดอกดารดาดไปหมดทั้งต้นเริ่มตั้งแต่โคนต้นดอกทั้งหลายก็มีกลิ่นหอมอย่างยิ่งเหมือนผูกไว้เป็นช่อไม่ใช่ปาทลีต้นเดียวเท่านั้น ที่ออกดอกในวันนั้นแม้ปาลตาลีทั้งหมดในหมื่นจั ก, กรวาลก็ออกดอกด้วยไม่ใช่ต้นปาลตาลีอย่างเดียวเท่านั้นแม้ต้นไม้กอและไม้เถาทั้งหลายในหมื่นจั ก, กรวาลก็ออกดอกบานแม้มหาสมุทรก็ดารดาดไปด้วยดอกบัวปกติทะเลนี่ไม่มีบัวรอกแต่วันนั้นเป็นวันอัศจรรย์ที่เรียกว่าทะเลเียเต็มไปด้วยดอกบัวนะบัวสายดอกอุบลโกมุตห้าสีแล้วก็น้ําทะเลก็เป็นน้ําที่เป็นน้ําเย็นอร่อย ในระหว่างหมื่นจักรวาลทั้งหมดเนี่ยนะเกลื่อนกลนไปด้วยธงและมาลายเพระพระ อ, องค์เนี่ยบูชาด้วยธงเอาไว้เยอะเพราะธงทั้งหมดเหล่านี้คือสิ่งใดที่เคยทำเอาไว้ในอดีตสิ่งเหล่านั้นก็จะมาเป็นเครื่องหมายปรากฏให้เห็นในตอนท้ายเพราะฉะนั้นพื้นแผ่นธรณีอันตกแต่งด้วยดอกไม้มีกลิ่นหอมนาณ า, าชินิดก็เกลื่อนกลนไปด้วยพวงมาลายัยมืดมัวไปด้วยจนแห่งทูปเรียกว่าควันนี่ตลบไปหมดเลยเนี้ย พระองค์เสด็จเข้าไปยังต้นปาตลีนั้นก็ล่าสรนทัด์ญากว้าง53าสอกอธิษฐานความเพียรอันประกอบไปด้วยองค์สี่เสร็จแล้วก็ประทับนั่งปฏิญาณโดยว่าทำปฏิญาณเลยว่าถ้าหากว่าไม่บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเพียงใดก็ไม่ยอมลุก ข, ขึ้นจากที่นี้เพียงนั้นแล้วก็ประทับนั่งอย่างนี้เ น, ใ น, ในี่ยนะหมายความว่า ร่างกายจะเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีเนื้อและเลือดจะเหือดแห้งไปก็ช่างทําไม่บรรลุไม่ยอมลุกตั้งวันนี้เป็นต้นไปนะตอนหัวค่าหรือตอนเรียกว่าโผล่เพลเนี่ยนะพระองค์ก็จัดกองกําลังกาจัดกองกําลังมารพร้อมทั้งตัวมารพระองค์ทรงทำมรรคมมยานทั้งสี่ให้เกิดขึ้นตามลําดับมรรคมรรคเกิดขึ้นผลก็เกิดในลําดับเป็นอนันตระปัจจัยเนี่ยนะ มันก็หลังจากได้มรรคสี่ผล4ปฏิสัมพิทาสี่ยานที่กําหนดนะนะกำหนด4นะี่จตุโยนิปริเชทก่ายยานยานที่กำหนดกําเนิด4ียานที่กําหนดว่าสัตว์ที่เกิดในครันสัตว์ที่เกิดในไข่สัตว์ที่เกิดในเท่าคลายและสัตว์ที่เป็นโอปปาติกะแล้วก็พระองค์ก็มียานที่กําหนดรู้คติทั้งห้า กำหนดรู้นรกและทางที่ทําให้ถึงนรกกําหนดรู้เดริชานและข้อปฏิบัติเพื่อให้เกิดเป็นเดริชานกําหนดรู้จากเปรตและพฤติกรรมที่ทําให้ไปเกิดเป็นเปรตความเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์หรือทางหรือข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นมนุษย์เทวดาทั้งหลายรวมทั้งพรหมทั้งข้อปฏิบัติไปสู่เทวดาและพรหมเรียกวายามที่กําหนดรู้คติ5และเวสารัชยาน4ียามที่ทําให้พระองค์ถึงความเป็นผู้แกล้วกล้าองอาจ คือยานที่ทําให้โปร่งถึงความโสมนัสเต็มที่4ประการและอาสาธ า, านาญาญยานที่ไม่สาธารณะทั่วไปแก่สาวกทั้งหลายและพระประเจกพรพุทธเจ้าทั้งหลายนะก็คืออะไรอาสยานุสยะยานอินทริยโปรปริยตยานมหาการุณาสมาบัติยานยมกะปาติหาริยานสัพันยุตยานและอนาวรณญาญและพระพุทธคุณทั้งสิ้น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 อเนกชาติสังสารังเป็นต้นเนนะ